เยงเมื่อวายโยธาไม่เที่ยงอียาบทนั่งยืนเดินนอนจับเที่ยงแต่ที่ไหนเห็นแล้วไหมเห็นความไม่เที่ยงของเหตุเห็นความไม่เที่ยงของผลเหตุไม่เที่ยงผลก็ไม่เที่ยงเหตุเป็นทุกข์ผลเป็นทุกข์เหตุเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ผลก็เป็นอนัตตาเริ่มเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วโอ้นี่เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ อย่างนี้เขาเรียกว่าไตรลักษณ์เกิดขึ้นแล้วหลังจากแยกรูกแยกน้ำหลังจากรู้เหตุปัจจัยของน้ำรูปหลังจากเห็นไตรลักษณ์ในน้ำรูปอันนี้จังทุกครั้งไตรลักษณ์เริ่มปรากฏอันนี้เป็นสามัญลักษณะือลักษณะที่เสมอกันถ้ายาบทยืนไม่ยาบทเดินไม่เที่ยงนั่งนอนยืนก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมันเหมือนกันหมดในด้านของไตรลักษณ์แต่ปัจจัยมาต่างกันนะ บางคนก็นั่งอาจจะนั่งหรืโลภะแต่ว่าเราเป็นนอนโทสะรือไปเดินโมหะอะไรก็แล้วแต่ปัจจัยก็แตกต่างกันตามอธัธยาศัยบางครั้งก็รับอารมณ์มาก็เกิดความโลภ ก, ก็เป็นปัจจัยการนั่งการยืนการเดินการนอนบางทีก็รับอารมณ์มาเกิดโทสะ เ, Hope, depends, เป็นปัจจ<ๆ>ัยการยืน<ห> ports, าการเดินการนั่งการนอนบางทีรับอารมณ์มาแล้วเกิดโมหะเกิดพุ่งต้านเกิดสงสัยเป็นปัจจัยการยืนการเดินการนั่งการนอน บางทีรับอารมณ์มาแล้วก็เป็นปัจจัยแก่กุศลเกิดศรัทธาเป็นปัจจัยการยืนการเดินการนั่งมันมันมุ่งปัจจัยมากใช่ไหมเริ่มมองเห็นโอ้เนี่ยต้องรอบรู้ไหมแบบเนี้ยต้องรอบรู้ถ้าไม่รอบรู้อย่างนี้จะกันบาปจะเจริญกุศลได้ยังไงจะทําไตรสิขาให้ดำเนินไปในชีวิตจริงได้ยังไงมองเห็นอย่างนี้นเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวดึงกคำพีอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยจิตเนี่ยเป็นนามธรรมวายุธาตุเนี่ยเกิดจากจิตรูปธรรม กับนา ม, มาทำนี่เป็นของคู่กันเขาเรียกว่าสัมพันธ์ซึ่งกันและการแยกยกันไม่ได้ในปัญญโวการภูมิเนี่ยแยกออกจากา ก, า ก, า ก, า ก, ากันไม่ได้รราจิตกับรูปนามกับรูปนี่แยกจากกันไม่ได้ถ้าในอรูปภปูมิเนี่ยแยกกันชัดเจนใช่ไหมนามกับรูปแยกกันมีแต่นา ม, มาทำอย่างเดียวถ้าในอนสัญตาสัตตภูมิก็มีแต่รูปธรรมเขาไปแยกนามมาทำเด็ดเสร็จแต่ในปัญจโวการภูมิภูมิที่มีขันห้าแยกไม่ได้นามกับรูปเป็นของคู่กันฉะนั้นใน อ, อภิธรรมปภิโดกในกัำพีประธานเนี่ย ท่านกล่าวในเรื่องของปัจจัยคือว่าจิตเชื้อโรคเป็นต้นเนี่ยได้รับการอุปการะจากโลภเหตุโทส่าเหตุโมหาเหตุอโลพาเหต์อโทส่าเหต์อะโมหาเหตุเป็นต้นอันนั้นในรายละเอียดเอาไว้ไปตอนที่ไปภาคการสนทนากันที่ละเอียดใช้เวลามากๆนี่ผ่านไม่ไปแต่ว่านี่ยกมาเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเข้าไปเจาะหมดไหมต้องเข้าไปเจาะในคนที่มีพื้นฐานตรงนี้หน่อยก็ ฟังไปก็อู้ออกมาเริ่มเริ่มมาส่งข้อใช้ได้ในชีวิตจริงเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่ในตำรายใช่ไหมเราท่องได้ใช่ไหมมันปรุงออกมาไม่ได้จริงไหมย้อนสมัยมันดึงออกมาไม่ได้อ่ะไม่รู้จะดึงออกมายัางไงเวลาจะมากําหนดมารอบรู้มาพิจรารณามาไข่ค้วนเนี่ยดึงออกมาไม่ได้ก็อย่างที่บอกเมื่อเช้ า, ชาเนี่ยบอกโอ้อันนี้ก็รู้เนี้ยใบมะกรูดเนียเนี่ยอันนี้คาคามีตะไครเนะเนี่ ย, นน ย, ยใช่ไหมอันนี้เป็นพิษนะอันนี้เป็น เครื่องพงต่างๆรู้หมดเนี่ยพอ ร, รู้บสเสร็จแล้วเขาบอกเอาช่วยทําต้มยํา ม, มาหน่อยสิจะได้มากินได้เนี่ยไม่รู้จะใส่ยังไงไม่รู้จะเอาอะไรใส่อย่างเงี้ยปัญหาของการศึกษาพระธรรมทุกวันจะเป็นลักษณะเนี้ยเวลาจะเอามาใช้จริงๆเอามาพิจารณาจริงๆเอามาประพฤติปฏิบัติจริงๆนะเลยเป็นไปอย่างที่คนตนเองเคยเป็นยังไงบางค น, นศึกษาพระธรรมมาแัดแย่เออไปหาใครก็รู้ใครบอกเอาเอาพุธโธไปเลยไปนั่งพุธโธอยู่ได้แค่นั้นนะ ไอ้ที่เรียนมาก็าทิ้งไว้ก่อนเลยไม่เอามาใช้เลยแต่เนี้ยก็เสียอยู่ตรงเนี้ยเข้าใจใยังเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเอาเอาเอามาใช้ไม่ได้ทีนี้ในวิสุท ธ, ธิมรรคปัญญานิเทศในทิฏฐิวิสุท ธ, ธิ์ท่างกล่าวถึงรูปกับนามนามกับรูปเป็นของคู่กันบอกว่าเหมือนบุคคลตาบอดกับคนเป็นง่อยไอ้คนเป็นง่อยแปลว่าเดินไม่ได้ตาบอดมองไม่เห็นเขาบอกว่าทั้งสองเนี่ยต้องการไปสู่ที่เดียวกันก็ว่าคนตาบอดเนี่ยแต่ขาดีเดินได้แล้วก็แข็งแรง อีกคนหนึ่งตาดีแต่เป็นง่อยเดินไม่ได้ถามว่าสองคนนี่ปรารถนาจะไปทําบุญไปทําบุญที่วัดเนี่ยให้คนตาบอดก็พาลบให้คนง่อยฟังบอกว่าขาของฉันแข็งแรงนะแต่ว่าไปไม่ได้เพราะตาฉันบอดคนง่อยก็บอกว่าฉันตาดีรู้ทางดีแต่ว่าไปไม่ได้เพราะขาเสียที่สองคนเนะี่ยระหว่างคนตาบอดกับคนเป็นง่อยก็คนเป็นง่อยก็นั่งอยู่บนข้อของคนตาบอดแล้วทั้งสองคนก็พากันไปวัดหรือไปที่ต่างๆได้ นามกับรูปก็เหมือนกันรูปกับนามในปัญจวกราภภพคือภพที่มีขันห้านี่นะคือรู ป, ปะขันรู ป, ปะขันเวทนาสัญญาสาัญญาเมียญเนี่ยแยกกันไม่ได้จะขาดต้องอาศัยซึ่งกันและกันทีนี้นามเนี่ยนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยเหมือนคนง่อยรูปธรรมเนี่ยเหมือนคนตาบอดทสองคนพอมาอาศัยกันปุ๊บเอียบอยืนเดินนั่งนอนก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยอะไรอาศัยจิตแต่ชวาวโยธาตซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐาน เมืจิตประสงค์ว่าจะไปจิตก็เป็นปัจจัยแก่จิตต่ชวาวยโยธาตั้งขึ้นจิตตชวยโยธาตเป็นใหญ่ในการให้ร่างกายเคลื่อนไหวแท้จริงแล้ววาโยธาตหนึน่งพัดผันไปร่างกายนั้นถามว่าในขณะที่วาโยธาพัดผันไปเป็นจิตตชั่วรูปเนี่ยไม่ใช่ทําให้จิตแตชัรูปเท่ น, นั้นเคลื่อนกรรมไมชัรูปไปด้วยอุตุชัรูปไปด้วยอาหารชั่รูปไปด้วยฉะนั้นเวลารอบรู้ไม่ใช่ไปรอบ ร, ร, ร, อบรู้แค่จิตต่ชวยโยธาเขาย้ำๆตันเนี้ย ไม่ใช่ว่าเออพอในภาคของอัจฉริยท่านบอกว่าจิตคิดจะเดินวาโยธาพัดผันวาโยธาตเป็นปัจจัยติยาบทเวลารู้รู้แข่จิตแตชวาโยธาไม่ใช่ไม่ใช่รู้จิตแต่ชลูกอย่างเดียวนะรู้กรรมเชรูปด้วยเพราะว่าเวลาเรายื่นมือไปเนี่ยในมือเนี่ยในแขนเนี่ยมีกรรมเชรูปด้วยหรือเวลาเราเดินไปเนี่ยมีจักรขู่ภาษาธาไปด้วยนะ คานะชิวหากายะอันนี้เป็นกรรมมัชยรูปทั้งนั้นหัตถยะเคลื่อนไปด้วยย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไปด้วยแต่การไปนั้นไปด้วยอํานาจของปัจจัยนะไปด้วยอำนาจของปัจจัยมีปัจจัยอะไรต่างๆแตกต่างกันออกไปก็ก็แยกแยกไปยึดละสมณะอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อจิตต่ชาวโยธาตแผ่ไปนั้นก็แผ่ไปพร้อมกับธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมก็คือมหาปุถุรูปก็แยกจากกันไม่ได้นะเขาเรียกว่าจตุสมุทฐานนิตรูป มหมาพุทธรูปที่เกิดจากกรรมก็ไปด้วยเวลานั่งเนี่ยมหาพุทธรูปที่เกิดจากกรร ม, มหาพุทธรูปที่เกิดจากจิตมหาพุทธรูปที่เกิดจากอุตูและอาหารก็นั่งด้วยเยียบทนั้นและยืนเดินนอนก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้การรูปรอบรู้ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าพิจารณาว่านามรูปเนี่ยก็ต้องอาศัยซึ่งการอะไรการถ้แยกออกจากกันน่ะเารียทุระลทุระผลเช่นว่าอารมณ์ไอ้จิตเนี่ยนามธรรมาเนี่ยถ้าไม่มีรูปธรรมก็ทําจิตอะไรไม่ได้เนี่ย ตัวประมับเหมือนกันถ้าไม่มีนาำมาทําก็ทําจิตอะไรไม่ได้เขาบอกว่าท า, าร่างกายที่บางทีเห็นให้สังเกตไหมว่าในกราชกายแต่ละบุคคลใช่ไหมในขณะที่เราเคลื่อนเนี่ยในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนเป็นต้นเนี่ยเวลาจิตที่คิดจะเดินเป็นไปวาโยธาตก็ทําให้กราชกายเป็นไปอ่ะถ้าคนผอมก็ทํากราชกายที่ผอมไม่ไปด้วยอ้วนไปทำการาชกายที่อ้วนไม่ไปด้วยใช่ไหม ไม่ใช่ว่าอนี่ไม่ใช่ของเราแล้วรอกองรออยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อ่งั้นก็ไปทั้งหมดนั่นการรอบดูในลักษณะอย่างนี้เป็นวาโยธาตีเป็นสมุทฐานมีจิตเป็นปัจจัยเกิดเอียาบบดจางๆประการต่อมาก็คือวาโยธาเนี่ยสมามมหาภูธรุกที่เกิดจากสมุทฐานทั้งสี่นี้ไปพิจารณาอย่างไงดินน้ำไปลมเป็นต้นที่เกิดจากสมุทฐานทั้งสี่ ด, นน am, ดินน้ำไปลมที่เกิดจากกรรมดินน้ำไปลมที่เกิดจากจิตดินน้ำไปลมที่เกิดจากกุตตุแล้วก็ดินน้ำไปลมที่เกิดจากอาหาร ดูจิตต่ชะวาวโยธาตวาโยธาชนลมพัดขึ้นเบื้องบนใช่ไหมลมพัดขึ้นเบื้องบนไอ้ลมพัดขึ้นเบืบ้องบนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เกิดจากจิต น, นะกีสมุทฐานลมพัดขึ้นเบื้องบนสี่ลมพัดลงเบื้องล่างเบื้องตามเน่ยลมในท้องลมในลําไส้ลมหายใจห้าอย่างนี้ไม่ไม่ใช่จิตต่ชะวาวโยธาตแต่จิตะะต่ชาวโยธานั้นลมที่พัดผันไปทั่วร่างกายอันนี้เป็นจิตต่ชะวาวโยธาต ฉะนั้นวาโยธาในข้อหนึ่งขึ้นเบื้องบนลงข้อสองลงเบื้องต่ำข้อสามลมในท้องข้อสี่ลมในลําไส้เนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่จิตตชาวายโยธาและลมหายใจเข้าออกก็ไม่ใช่จิตตชวายโยธาเนียลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่ไม่ใช่ลมที่เป็นปัจจัยการยืเนเดินนั่งนอนแต่ลมที่เป็นปัจจัยการยืเนเดินนั่งนอนนั้นคือลมที่พัดผันไปทั่วทั่วกระดเชาการ นั้นวายโยธาเนี่ยที่เกิดจากสมุทฐานทั้ง4ี่คือกรรมจิตตัตัวอาหารใช่ไหมลมพัดขึ้นเบื้องบนก็เกิดจากกรรมจิตตัตัวอาหารลมพัดลงเบื้องต่าก็เกิดจากกรรมจิตตัตัวอาหารลมในท้องก็เกิดจากกรรมจิตตัตัวอาหารลมในลําไส้ก็เกิดจากกรรมเกิดจาจิตเกิดจากอุตูเกิดจาอาหาร ลมหายใจเข้าออกเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมก็ได้เกิดจากจิตก็ได้เกิดจากอสู้ก็ได้เกิดจากอาหารก็ได้แต่ลมพัดผันไปทั่วกระดูกกายที่เป็นปัจจัยในการยืนเดินนั่งนอนลมที่พัดผันไปทั่วร่างกายโดยก็ปกติแล้วเนะีเกิดจากสมุธฐานทั้งสี่แต่อิยาบทบับเนี่ยเน้นเฉพาะมีจิตเป็นสมุธฐานเกิดขอภัยนะลมเกิดจากจิตเนี่ยได้สมูธฐานเดียวเหมือนเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไปจําผิดเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมอย่าพูดภาษาใหญไม่ดีอย่นผู้ผปัญญายหายใจเข้าหายใจออกก็จิตดับนี่หมดไหม ลงก็หมดใช่ไหมใช่ไม่ต้องจิตเอาแค่ว่าคนได้จตุทะชานวมหมดไหยได้เจตุทะชานหมดไหมลงหมดให้สเกต ด, ดูดีว่าเด็กอยู่ในท้องยังไม่หายใจใช่ไหมเด็กในท้องคนดำน้ำยังไม่หายใจห้ามยกเว้นใส่เครื่องช่วยนะแล้วก็อะไรกันคนได้เจตุทะชานใช่ไหมคนตายนัก็แนนอนอยู่แล้วคนจะหลบใช่ไหมแล้วก็คนเข้าอเแต่ไม่มีในหลักของคนสลบแล้วก็คนดำน้ำําเด็กในท้อง คนตายคนได้จดตุทัชฌานรูปภพใช่ไหมอารมณภพเนี่ยแล้วก็คนที่ได้จดตุทัชฌานแล้วก็คนที่เข้านิโรธาสมาบัติเนี่ยดะนั้นคนที่ไม่หายใจก็คือว่าเขาได้จดตุทัชฌานไปแล้วเนี่ยเขาดับลมหายใจได้ดับลมหายใจได้สี่ข้าศัมบอกว่ากายสังขารดับณที่ไหนวจีสังขารดับณที่ไหนจิตตสังขารดับณที่ไหนที่ว่าท่านวิสาขาถาม นางธรรมทินนาเทรีนะอากายสังขารอะไรคือกายสังขารกายสังขารคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจะดับที่เจตุทะฌานวจีสังขารจะแก่วิตกวิจารณ์ใช่ไหมเอาวิตกเนี่ยดับที่ไหนดับที่ปฐมฌานคนได้ปฐมฌานขึ้นทุติยฌ า, านเนี่ยวิตกวิจารณ์ดับแล้วและจิตสังขารเนี่ยนะดับที่ไหนสัญญาเวทิิยตานิโรธ เหาจิตเนี่ยจะไปดับที่ตรงนั้นแหละการเข้าที่โรธาสมาบัติแต่ที่ท่านถามไปตามลำดับในสูตรนั้น่ถ้าใครเคยผ่านคำพีที่มาปะโอ้เข้าใจแล้วทีนี้ลมที่พัดผันไปทั่วร่างกายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนที่เป็นปจัจจัยแต่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะโดยปกติแล้วเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุและเกิดจากอาหาร แต่ในียาบทบับเน้นเฉพาะสมุธฐานเดียวคือจิตเป็นสมุธฐานขนาดเดียวกันไม่ใช่ว่าคนที่พิกเจรณาียาบทเนี่ยจะต้องรู้เฉพาะจิตแต่ชรูปอย่างเดียวนะต้องรู้ลูกสมุธฐานอื่นด้วยฉะนั้นในร่างกายเนี่ยไม่เฉพาะแต่วายโยธาตวอย่างเดียวเท่านั้นะแต่แก่ปัทวีเตชวาโปวายโยเนี่ยนะมหาพุทธรูปเนี่ยที่เป็นปัจจัยแกการยืนเดินนั่งและนอนเป็นต้นเหล่าเนี้ยแต่ละธาตุแบ่งออกว่ายกตัวยอย่างเช่นว่าธาตุดินเนี่ย ธาตุดิน20ชนิดธาตุน้ํา12ชนิดแล้วก็ธาตุไฟ4ีธาตุลม6รวมเป็น42่สิบรวมเป็น42่สเนี่ยธาตุดินก็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเนี่ยมีทั้งหมด20่ธาตุน้ําก็คือดีสเลตหนองเลือดเหนื้อมันข้นน้ําตาเป็นต้นเนี่ยสิใช่ไหมแล้วก็ธาตุไฟก็4ไฟที่ยังกายอบอุ่นเป็นต้นเนี่ยนี่มีสี่ธาตุลมก็6ที่ว่าเมื่อสักครู่อ่ะลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องล่างเป็นต้นเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จก็คือ42 ใน42เนี่ยถ้าเราไปดูในลาหุโลวาทสูตรเนี่ยที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเออขอไปไม่ใช่ราหูโลวาทสูนยเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่ลาหุูดูก่อนลาหุปูปฐวีธาตุก็คือปฐวีธาตุเนี่ยใช่ไหมปฐวีธาตุคือดินน้ำไฟลมเออคือผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไปชนเนี่ยตลอดถึงปฐวีธาตุที่เป็นภายในก็ดีปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกก็ดีเนี่ย แหล็หินดินทรายเป็นต้นนี้เป็นต้นเนี่ยก็สักแต่ว่าปัตวีธาตุเท่านั้นใช่ไหมเธอจงรอบรู้ตามความเป็นจริงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในปัวีธาตุว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเหล่านี้ทีนี้ถ้าหากพิจรารณาตรงนี้ก็คือว่าร่างกายคือการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยไม่ได้มีแต่วาโยุธาตุอย่างเดียวต้องมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมที่เกิดจากสมุฐาน้ำทั้งสีด้วย ฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้ทําความเข้าใจประการต่อมาก็คือว่าปัจจัยต่างๆที่เราทําความเข้าใจอยู่นี่ก็คือว่าในขณะที่เราจับยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นดังที่ได้กล่าวไว้แต่แรกว่าเป็นพ่อมโนทวารลวิถีฉะนั้นการยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นต้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัญจทวารวิถีเพราะปัญจทวารวิถีน่ยไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ จิตตชวาโยธาตให้มีการขับเคลื่อนอียาบทยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นได้แม้แต่ียาบทย่อยอยังไงแปลกนะเอ่นกะดิกมือเล็กๆน้อยเ น, นี้ยไม่ใช่เป็นเพราะอำนาจของปัญจทวาและวิถีนะจกักรุทวาและวิถีโสตทวาและวิถีเป็นต้นเหล่านี้น<ม>วิถีเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่การขับเคลื่อนเกี่ยวในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้แต่วิถีที่จะเป็นปัจจัยแก่การขับเคลื่อนให้ียาบทเป็นไปได้นั้นเป็นมโนทวาและวิถีตรงนี้ทำให้คิดถึงอะไรไหม มีลัทธิของกลุ่มนิคนเป็นต้นเหล่านี้ยเขาบอกว่ากายกายพันธากายพันธาวจีทันธามโนทันธาเนี่ยท่านบอกว่ากายพันธาเนี่ยเป็นบาปแรงกว่าอย่างนั้นคือว่าการทํากรรมทางกายเนี่ยหนักหนักกว่าทางใจทางมโนพระเจ้าอย่าไปกล่าวอย่างนั้นใช่ไหมไปกล่าวอย่างนั้นไม่ได้พระเจ้าก็เลยกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วทางใจเนี่ยทางมโนทวานเนี่ยเป็นกรรมที่หนักที่สุดใช่ไหม ถ้าเราศึกษาพระธรรกันละเอียดลึกซึ้งหน่อยเราก็จะเริ่มเข้าใจว่านะคนจะกระพริบตาอ้าปากจะพูดจะยืนจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งจะนอนเป็นต้นได้มาจากมโนทวารและวิถีใช่ไหมหรือคนที่จะเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยต้องใช้มโนทวารและวิถีจะเจริญ น, นะในการจะทําสติปัฏฐานสมนปัติฐานอิทธิบาทอินทรีย์พร ะ, ะโพชฌงค์องค์มรรคเป็นต้นเหล่านี้ตลอดถึงสมาบัตชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวกับมโนทวารและวิถีทั้งนั้น ฉะนั้นกรรมทางมโนทวารลวิถีเนี่ยหนักเห็นไ้มว่าเมื่อเมื่อจิตทางมโนทวารลวิถีเป็นไปเช่นว่าอาจจะทำปิตุคาตเนี่ยจะทํามาตุคาตอรหันตคาตโลหิตตุปบาดสังกเพศเนี่ ย, ร ก, ร ก, รยกรรมเหล่านี้มาจากมโนทวารลวิถีเนีเป็นตัวกําหนดทำให้สัตว์ผู้นั้นมีการเคลื่อนกายไปในการที่ไปทุกไปตีไปฆ่าไปต้นเหล่าเนี้ฉะนั้นมาจากมโนทวารลวิถีเป็นประการระสําคัญเป็นคารุกรรมทั้งหลายทั้งคารุกรรมฝ่ายอกุศลทั้งคารุกรรมฝ่ายกุศลเนี่ย กำนักฝ่ายบุญฝ่ายบาป ท, ทั้งหลายเนี่ยมโนกรรมเท่านั้นเนี่ยที่เป็นตัวกำหนดให้กรรมเหล่านี้สําเร็จลุล่วงมาได้นั้นเจตจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่าทีนี้พูดถึงด้านของอารมณ์จิตในมโนทวารวิถีรู้อารมณ์ได้หกใช่ไหมทางมโนทวารวิถีเนี่ยคือถ้าทางจักขุทวารวิถีรู้รูปอารมณ์โสตทวารวิถีก็รู้สัทธารมคือรู้เสียงคานาทวารวิถีก็รู้คันธารมคือรู้กลิ่น ชิวหาทวารและวิถีก็รู้ระสารมคือรสที่มากระทบพโพดกายทวารวิถีก็รู้โพดถภพารมที่กระทบเย็นร้อนทางผิวกาย ส่วนมโนทวารวิถีเนี่ยรู้อะไรรู้รูปา um, รมณ์ um, ร, ร, um, ร, rolling, รู้สัทธารมรู้คันธารมรู้ระสาลมรู้โพธพารมและรู้ธรรมาลมแล้วแก้ว่ามโนทวารวิถีน่ะปารบรูปารมณ์ก็เป็น okay, ป, ปัจจัยในการยืนเดินนั่งนอนได้แม้ฉะนั้นเวลาปารบรูปอารมณ์ทั้งในอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้ปารบรูปารมณ์ในอดีตเป็นปัจจัยแก่การยืนเดินนั่งนอนได้ไหมได้เออเมื่อวานนี้แม่เราเห็นรูปารมณ์ อย่างนั้นเบ็ดเสร็จเออเดี๋ยวเราจะนั่งคอยหน่อยก็เส้นปัจจัยกายาบทนั่งได้แล้วมีคนยากเอาลูบารมมาให้เอาผ้าเอาสีต่างๆมาให้บางทีปารบรูบารมเลยเบ็ดเสร็จเออเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปเอาหน่อยเป็นปารบรูบารมในอดีตก็เดินกลับไปเอาได้ปารบลูปรารมในอดีตก็ไปเหตถึงการยืนก็ได้เป็นเหตุถึงการเดินการนอนก็ได้เออเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนอนสักครู่เดี๋ยวค่อยไปเอา <c oughs> ก็เป็นปัจจัยการนอนได้นั้น <c oughs> ปารบรูบารมในอดีตก็เป็นปัจจัยเกการนอนได้ ปารลบรูปารลในอนาคตก็เป็นปัจจัยแก่การยืนการเดินการนั่งการนอนได้ปารลรูปารลบในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยแก่การยืนการเดินการนั่งการนอนได้ฉะนั้นรูปารล์นั้นเน่ยมโนทวารวิชีเนี่ยรับรูปารลมในอดีตในอนาคตในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยทําอียาบทให้เป็นไปแต่ในรูปารล์ที่เป็นปัจจัยนั้นเน่ยบุญบาปว่ากันอีกอย่างบางคนก็ปารลด้วยจิตที่เป็นบุญบางคนก็ปารลด้วยจิตที่เป็นบาปบาปแล้วก็ขัดเคลื่อน แต่เช้าวายโยธาวายโยธาก็ขับเคลื่อนียาบทอีกทีหนึง่งสัตว์โลกก็ทํากรรมไปเพราะปารลบลูบอารมณ์มากมายนะเราทั้งหลายที่ผ่านมาในอดีตก็ทํากันแบบนี้ปัจจุบันก็ทํากันแบบนี้และบางทีก็น้องไปในอนาคตก็จะต้องไปทํากรรมเพราะปารลบลูบอารมณ์แล้วก็เป็นปัจจัยแก่ียาบทยืนเดินนั่งนอนก็ไปทํากรรมกันไปตามสถานะเห็นไหมมนโนทวางและวิถีไหนเขายิ่งใหญ่มากเป็นปัจจัยการยืนการเดินการนั่งการนอนปารลอารมณ์สามการที่ปัญหาก็คือว่าแล้ววิปัสสนาเนะี่ย เอปัจจุบันขนาดอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วแเนี่เมื่อมโนทวารวิถีมีอารมณ์สาการเนี่ยมีอารมณ์สาการแบบนเนี้นะเราเอาจรรยวิปัสนาต้องใช้มโนทวารลวิถีถ้าใช้วิปัสนาวิถีก็ต้องเป็นกุศลถ้าเป็นวิปัสนาจริงๆจะต้องเป็นหากุศลยานสัมปยุทธ์ขึ้นสู่มโนทวารวิถีใช่ไหมในการปาราบรูปารม ถามว่าถ้าจะปารลบรูปารมต้องปารลรูปารมที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นใช่ไหมแล้ววิปัสสนาวิถีในปารลอารมณ์อดีตได้ไหมปารลบอารมณ์อนาคตได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ปัจจุบันแล้วการกิเลสไม่ได้จริงไหมที่ปัญหาก็คือว่าปัจจัยที่จะทําให้กิเลสเกิดมีเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นใช่ไหมปารลบอดีตกิเลสเกิดได้ไหมปารลอนาคตกิเลสเกิดได้ไหมแล้วเห็นหน้ากันปัจจุบันกิเลสเกิดได้ไหมแล้วทําไมถึงมันเน้นว่าต้องปัจจุบันขนาด ตรงนี้ตั้งกว่าคำถามให้ก็ น, นักวิจเจเรียนวิปัสสนาทั้งหลายใช่ไหมทําไมต้องปัจจุบันด้วยนะทำไมให้ทําไมต้องเน้นว่าปัจจุบันดนะเดี๋ยวถ้าขอบ ก, กันตรงนี้ขึ้นไปเดี๋ยวก็จะต้องยกอีกสูตรหนึ่งมากล่าวในพัตเทกระัตะสูตรใช่ไหมใช่เดี๋ยวมีเวลาจะเอาสูตรนั้นมาเดี๋ ว, วันนี้ลงสายเวลาจะไม่ทั น, นดูดทีนี้ตรงนี้ก็ต้องการอยากจะเชื่อเห็นว่าอมโนทวานวิศีอันาปารศเสียงก็ได้นะสัตรารมเสียงที่มา มโนวทวารวิถีเนี่ยตาล็กเสียงก็ได้เสียงที่เป็นอ ด, ดีตก็ได้เสียงที่เป็นอนาคตก็ได้เสียงที่เป็นปัจจุบันก็เป็นปัจจัยการยืนเดินนั่งนอนได้ปาร็กกินมโนทวารวิทีบอกโอ้ยดอกไม้ตรงนั้นหอมเมื่อวานนี้ผ่านมาหอมมากเดี๋ยวจะกลับไปเด็ดเฮ้ารอ็อกอดีตก็เป็นปัจจัยกายยาบทยืนเดินนั่งนอนเดินไปเอาได้นั่งก็ได้นั่งคอยหน่อยบอกเขาไว้แล้วว่าที่เห็นดอกไม้เมื่อวานเนี่ยบอกเพื่อนไว้แล้วเดี๋ยวเพื่อนจะอามาให้กันนั่งคอยเป็นปัจ ไม่มาสักทีนอนคอยดีกว่าก็ได้ยังไหมใช่หรือมาอย่างนั้นไม่มาทีเดินกลับไปกลับมาเมื่อไหร่จะมานะเนี่ยเป็นปัจจัยแก่เห็นไหมอดีตเนี่ยรูปารสัทธารมณในอดีตเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงเ ป, ป็นต้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การยืนเดินนั่ง น, น, นอนปัจจุบันก็ได้เรียกปัจจุบันให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนก็ได้อ่าเดินมาเอาหน ой, อ่อยอนั่งรอตรงนั้นแหละเอายืนตรงนั้นแหละอนอนคอยก็ได้นะเนี่ยได้ตรงนั้นในปัจจุบันใช่ไหม ปาล็อนาคตกดาไเสียงที่จะเกิดในอนาคตเป็นปัจจัยการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเดี๋เสียงกลินรสสัมผัสและทำมารวมเป็นต้นฉะนั้นตัวก่ามาโนท ว, วารวิถีเนี่ยรับอารมณ์ได้หกฉะนั้นอารมณะปัจจัยที่เกิดนี่นะที่จิตรับรู้เนี่ยจิตก็เป็นปจัจจัยตั้รูปคือจิตแต่ชาวาโยธาตแล้วก็วายโยธาเกิดขึ้นที่อุปาทขณาปัญหาก็คือว่าถ้าเราดูวิถีเนี่ยอุปาทขณาของชาวนะของชาวนะทุกๆชาวนะเนี่ยทุกๆขนาจิตเนี่ย ที่เขาจะเป็นปัจจัยแก่อียาบทยืนเดินนั่งนอนได้ครับกำลังของจิต น, นั้นมีอยู่ตรงที่อุปาทขศน์ะถ้าเราเขียนมิถีดูปบเราจะเห็นเลยที่คือจิตดวงหนึ่งนี้สามทัศนอุปาท่าถีตีลพังคะถีตีลพังค่านั้นไม่ใช่ข h, ัศน์่างการทําทําจิตจากชาวโยธาแต่อุปาทขศน์ของจิตเนี่ยของชาวนาจิตต่างหากที่เป็นปัจจัยแก่วโยธาทีนี้ปริมาณของจิตที่คิดเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะคิดว่าเลือจักเดินเป็นต้นน่ะ เป็นหลายแสนวิถีเป็นหลายแสนวิถีที่แล่นไปลองคิดดูที่ว่าอ âu, จักเดินเนี่ยนะถ้าโลภะเกิดซึ่งกระเป้วโลภะหลายแสนขนาดหลายโกดขนะแค่ว่าจักเดินน่ยจับยืนจักนั่งจักนอนเนี่ยหลายแสนหลายโกธขนาดลองคิดดูถ้าเป็นโลภะเนี่ยจะบาปสักฝันแค่ไหนถ้าโทสะจะจะจ ะ, ะจะบาปสักแค่ไหนถ้าโมหะจะบาปสักแค่ไหนแล้วถ้าเป็นมหากุศลจะชื่นใจสักแค่ไหนช่ไหมใช่นั้นควรปรารบ ควาเจริญกุศลใช่ไหมถึงบอกว่าอะไรนะชนเราอื่นจะเป็นผู้เบียดเบียนกันเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันต้องตั้งอัธยาศัยว่าว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครในยาบทยืนเดินนั่งนอนชนเราอื่นจกเป็นผู้ฆ่าสัตว์เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์เพราจะมีเมตตาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมในยาบทยืนเดินนั่งนอนถามว่าจะมากมายขนาดไหนชนเราอื่นเป็นผู้รักทรัพย์เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่รักทรัพย์ ชนเราอื่นจะกล่าวเทศชนเราอื่นจะกล่าวตอเสียชนเราอื่นจะพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเราทั้งหลายจักไม่พูดเทศจักไม่พูดคำหยาบจักไม่พูดเพ้อเจ้อชนเราอื่นจกโลภในพันธะบุคคลอื่นเราทั้งหลายจักให้จักไม่โลภชนเราอื่นจกโกรธจกพยาบาทเราจับไม่ต่างชนเราอื่นจกมีความเห็นผิดเราทั้งหลายจับเป็นผู้มีความเห็นถูกถ้าเราตั้งอัตยาศัยในยาบดยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้เชื่อว่าปฏิบัติหรือยังชื่อว่าปฏิบัติหรือยังใช่ไหม ต้องไปตั้งท่านุ่งชุดขาวไหมถึงบอกว่าจริงๆชุดขาวก็ดีไม่ใช่ไม่ไมดีชุดไหนดีทั้งนนแต่ถ้าดีที่สุดก็คือว่าผู้สนลจิตที่ดาเนินไปในขณะนั้นนดีแล้วก็ปรารบในการที่จะขัดเรานี่แหละที่บอกว่าเป็นปัจจัยแก่การเกิดขึ้นทั้น อ, อิยาบทต่างๆทีนี้ถ้าว่าโดยในลักษณะของปัจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นปัจจัยเห็นปัจจั ย, ยุบันเช่นว่าอารมณ่าปัจจัยเห็นชัดล้ว อ๋อารมณมณะปัจจัยเนี่ยนะจิตอารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้นเนี่ยเป็นอารมณมณะปัจจัยเกดจิตใช่ไหมจิตก็เกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นกระทําจิตแตชวายโยธาจิตแตชวายโยธากระทัอียาบุตรโอเนี่ยผลผลที่จิตเกิดขึ้นก็ดีไหมอารมณอารมมณะปัจจัยมีรูปารมณ์เป็นต้นไม่เที่ยงอารมณมณปัจจยุบันคือจิตทั้งหลายตลอดถึงจิตแตชวายโยธาจกเทียมไปไหนเห็นไหมเริ่มเริ่มเห็นตรงเนี้ยพอเริ่มชัดเจนคําสอนตรงนี้ก็ เอาชีวิตจริงมันเป็นแบบเนี้ถ้าเราแยกอละศัตรูประดับที่ได้แยกแยะียาบทอย่างนี้ได้เดเสร็จถึงบอกว่าเวลาเรากำลไปรอบรู้ียาบทเนี่ยียาบทเป็นแกนกลางอยู่แล้วยืนเดินด น, นั่งนอนแต่ต้องสาวหาปัจจัยของอียาบทด้วยเมื่อสาวหาียาบทปัจจัยของอียาบทเบสเ็จแล้วจะได้ไปรู้ว่าปัจจัยของอยาบทเหล่านั้นน่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นถ้าไม่รู้ปัจจัยของเขาก็ไม่รู้เหตุถ้าไม่รู้เหตุเกิด ใชไมพขาจะย่อสอนื่องเหตุเรื่องผล Japanese, หรือเปล่ายธมาเหยตุปปภาวเตสังเหตุุงตถากตตัวอหเตสันจายโยจิโรโทจายเอวังวาตีมหาสมณูทำเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดอะไรมีเหตุเป็นแดนเกิดอุปาทานขันห้าเนี่ยพอพูดเรื่องจิตพูดเรื่องจิตติชวายโยธาพูดเรื่องียาบทพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอุป า, าทานกันห้าทำเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดก็นี่แหละอุปาทานขันห้าคื อ, อียาบทนี่แหละจิตติชวายโยธาียาบทนี่แหละ รูปกับนามนี่แหละที่เกี่ยวกับรูปขันเวท น, น, น, นาสัญญาสังขารวิญาณสังขานี่แหละอันนี้นี่แหละมีเหตุทําเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดเทตอะไรสมุ ท, ทยัยคือตันหาคือคืออวิชาเป็นต้นเนี่ยนั่นแหละเป็นแดนเกิดของของอุปาทานขันเหล่านี้เพราะพุทธเจ้ากล่าวถึงเหตุคือกล่าวถึงสมุทยัย ญ, ญัตจักและความดับเหตุท้องธทำเหล่านั้นกล่าวถึงความดับกล่าวถึงความไม่เป็นไปของอุปาทานขันห้าความไม่เป็นไปของสมุทัย ก็คือกล่าวถึงพระนิพพานพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้น่นหมายความว่าพระเจ้าตรัสสัจจะอะไรตรัสทุกขสัจจะตรัสมุทธยาสัจจะตรัสรูทัศสัจจะมรรคสัจจะไม่ได้ตรัสโดยตรงชื่อว่าตรัสแล้วเพราะปฏิบัติข้อปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคไตรสิกขาเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิก็ดีเกี่ยวกันในเรื่องประชานาติเนี่ยปัญญานี่เข้าไปรู้ชัดเนี่ยในยาบทวาโยธาตแล้วก็รู้จิตเป็นต้นรู้ปัจจัยของจิตเป็นต้นเหล่านี้ ตัวนี้เป็นอะไรเป็นไตรสิกขาอันนี้เป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เข้าไปรอบรู้เข้าไปทําปริญญามีญาติปริญญาเป็นต้นเนี่ยตรงเนี้คือมัดเห็นไหมพุทธเจ้าตรัสทุกอาจทุกพยัญชนะต้องลงอริยสัจได้ถ้าถามว่าพุทธเจ้าตรัสอะไรว่าตรัสอริยสัจอย่างนั้นตัดเหตุกับผลนี่ก็เหมือนการเวลาจะปฏิบัติเนี่ยแปลว่าหนึ่งกาหนดรอบรู้ผลเนี่ยด้วยความเป็นทุกข์ศักดิ์แล้วก็สงสารหาเหตุก็ให้ได้ด้วยว่าเหตุของสิ่งเหล่านี้มาจากอะไร เมื่อรู้เหตุรู้ผลแบบนี้เแบบเสร็จก็ เ, เหตุไม่ที่ยังผลไม่ที่ยังเป็นต้นก็พิจรารณาด้วยความนไตรละเพื่อจะละชันทราคาในขันในอุบาดาในขันเหล่านั้นนั่นดีก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ที่เวลาที่เหลือให้สอบถามนะ จาร a นาสัมบัณโนสุขโตโลก a วิ d u อนุตภูริส a ตถมัส a ารดิสัทัดเดวะมนุตภะคะวะติสวะคโตภะคะวะตัตถมุต สิกโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปะจตังเวทิตาโพวินนิทิสุปติปันโนภะควโตสาวกสังอุชุปัติปันโนภะควโตสาวกสัง ยายาปาจิปันโนภะคะวะโตสัพ a ะสังโมสามีที่ป a จิปันโนภะคะวะโตสัพพะสังยาที่การาการิปุริสายุการิอาตาปุริสั ้าวโตสาวกสังโฆคายโยป่าคูนายโยตะกีนายโยอันจริการนียโยอนุทารังปุญญา โลกาสัตติต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนกุศลนะบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมท่านว่าเป็นบุญใหญ่น้อมจิตอุทิศให้กับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำณบัดนี้และบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว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 ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่ย เ, ป เ, เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระ น, น, น, นิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุ